คัดเลือกเจ้าเข้าโตวาทีกับสาวกของพระสมณะโคดมโดยเชื่อในความรู้ความสามารถและไหวพริบ ป, ปฏิพานของเจ้าเพราะเจ้าได้แสดงความสามารถให้เราเห็นแล้วหลายครั้งเรามั่นใจว่าเจ้าจะนำชัยชนะกลับมาสู่มูคณะตรงกันขาม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 ยังแพ้ในหลักเหตุผลทางศาสด า, าอีกด้วยเขาได้ยอมรับอย่างชื่นตาว่าความจริงมีอยู่และความจริงนั้นคนย่อมรู้ได้ทัศนะอย่างนี้ท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่แล้วว่าขัดกับลัทธิของเราอย่างสิ้นเชิงเมื่อสุลเมีทาไปเห็นด้วยกับทัศน์ซึ่งขัดกับลัทธิของเราก็แสดงว่าเขาหมดความเชื่อหมดความเลื่อมใสในลัทธิของเราเสร็จแล้วเขาขาดจากสังกัดของเราเสร็จแล้ว ฉะนั้นข้าพ เ, เจ้าจึงเห็นว่าโทษที่เหมาะสมที่ส่วนสำหรับเขาก็คือขับไล่เขาออกจากรัฐที่ของเราเอาไว้งไงสุระเวทะตามที่ประชุมเสนอมานี้น่ะฮะท่านอาจารย์และท่านผู้เจริญทั้งหลายข้อเสนอที่ท่านทั้งหลายเสนอมานั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุผล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 เจ้าจะไปไหนสุรเมธาข้าพเจ้าจะไปอยู่กับพระเรวตัตตาสุรเมธะเจ้าพูดจริงหรือสุรเมธะถูกแล้วท่านอาจารย์ข้าพเจ้าพูดมา น, นี้เป็นความจริงในที่สุดเหตุการณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้นอีกเมื่อสามสิบปีเสรมาแล้ว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 ตัวอย่างเช่นท่านประกุฏ ธ, ธะกัดจาจเหระนะได้แยกคนและสัตว์ออกเป็นส่วนต่างๆเจ็ดส่วนคือดินน้ำลมไฟสุขทุกข์และวิญญาณแสดงว่าท่านได้ ก, ก้าวข้ามสมมติปสัจจะเข้าไปสู่ส่วนประกอบภายในอย่างละเอียดท่านรู้ปรมัติสั จ, จดีแต่ถึงกระนั้นก็หาได้พ้นทุกข์ไม่เพราะเหตุนี้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 ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเพื่อนเข้าใจแจ้งแจ้งเดี๋ยวนี้เองว่าใครๆก็อาจจะเป็นพระอริยเจ้าได้ถ้าศึกษาปฏิบัติอริยสัจจะจนดับทุกข์ได้แต่ข้าพเจ้าก็ยังสงสัยอยู่ท่านสงสัยอะไรอริยสัจจานี้เป็นหลักคำสอนชั้นสูงมีคำอาอสุ ข, ขุมลึกซึ้งเข้าใจยากเหมาะสำหรับคนชั้นสูงผู้มีสติปัญญาและบุญบา ร, รมีมากๆเท่านั้น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 บางท่านเคยเป็นชาวนายากจนเขินใจบางท่านเคยเป็นเศรษฐีบางท่านเคยเป็นาศาสดาเจ้าลัทธิต่างๆซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าคนที่รู้อริยสัจจะจนกลายเป็นพระอริยเจ้านั้นประกอบด้วยคนทุกชั้นทั้งชั้นสูงชั้นต่ำทั้งคนรวยคนจนทั้งคนโง่คนฉลาดถ้าอาริยสัจจะเป็นธรรมชั้นสูง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 ทั้งนายคืนเดินนั่งหรือนอนข้าพเจ้าเพิ่งทราบวันนี้เองว่าอริาารยสัจะเป็นธรรมะที่ใครๆก็อาจศึกษาได้ทุกเมื่อข้าพเจ้าจมอยู่ในปรักแห่งความเข้าใจผิดมานานจึงได้เมินเฉยต่ออริาารยสัจตอนที่ท่านอยู่สํานักท่านสันชัยท่านได้ความรู้อะไรท่านสันชยัยข้ามแต่สอนว่าไม่มีความจริงใดที่คนจะรู้ได้ สิ่งที่คนรู้ได้ไม่ใช่ความจริงดูนี้ท่านเห็นเป็นอย่างไรคำตอบเช่นนั้นเป็นการมองข้ามความสำคัญของสมุติสัจจะแต่ก็ไม่สนใจในปรมัธาสั จ, จหรือสัจจะใดๆเลยในที่สุดก็ไม่รู้สัจจะอะไรทั้งสิ้นเพราะเข้าใจว่าสัจจะเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้เป็นการพลากตนจากประโยชน์ที่พึงไดจากการรู้สัจจะทำไมนะ ก็พระเจ้าจึงได้หลงหลยอยู่กับลัทิเช่นนั้นเป็นเวลานานอย่าเสียใจไปเลยอุบาสกอดีตที่ผ่านไปแล้วก็เป็นอันผ่านไปไม่จะดีใจหรือเสียใจเพียงใดก็ไม่สามารถจะนำมารื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ อย่าได้นำมาเป็นอารมณ์เลยสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คืออะไรเหรอท่านเรวัตะเริ่มต้นใหม่สายเกินไปซะแล้วยังหรอยังไม่สายเกินไปสุราเมธะท่านยังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นยังมีเวลาสำหรับการศึกษาและการปฏิบัติอีกมากจริงสินะท่านพูดถูกข้าพเจ้ายังมีเวลาเอาล่ะ ข้าพเจ้าจะลงมือศึกษาและปฏิบัติอริยสัจจะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ว่าอะไรอีกละ่ะสุราเมธาข้าพเจ้าคล่องใจยอยู่อย่างหนึง่งท่านยังคล่องใจอะไรอยู่อีกบอกมาเถอะสุราเมธาข้าพเจ้าคล่องใจในการพูดของท่านที่ว่าอริยสั จ, จเป็นสิ่งที่รู้ได้ไม่ยากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนพระอริยเจ้าแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยจะสมกัน ไม่สมกันยังไงสุราเมธะถ้าอริยสัจจะรู้ได้ง่ายทำไมคนจึงไม่รู้อริยสัจจะเป็นพระอริยบุคคลกันหมดท่านเรวัตต์ตอบข้อนี้เกศขจ้าได้ไหมได้สิสุราเมธะท่านสงสัยข้อนี้ก็จะอธิบายใหท่านฟังท่านเรวตัตตอธิบายได้เลย เพราะเหตุใดเมื่ออริยสัจจะรู้ได้ง่ายทําไมคนจึงไม่รู้อริยสัจจะเป็นพระอริยบุคคลเหตุที่คนไม่ใค่รู้อริยสัจจานั้นไม่ใช่เพราะอริยสัจจะเป็นธรรมที่รู้ได้ยากแต่เป็นเพราะคนส่วนมากไม่สนใจศึกษาทําไมถึงไม่สนใจศึกษาเพราะอริยสัจจะขึ้นต้นได้ทุกคนส่วนมากเกลียดกลัวความทุกข์เป็นทุนอยู่แล้วไม่อยากประสบทุกข์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 เมื่อเห็นว่ายังเจ็บปวดอยู่อย่างเดิมมันจึงวิ่งเข้าไปหลบอยู่ใต้ชายคาแต่ชายคาก็ช่วยอะไรไม่ได้มันก็เลยวิ่งเข้าไปหลบอยู่ใต้โครงไม้ซอกหินลลอมฟางแต่ก็หาได้พ้นจากความเจ็บปวดไม่มันวิ่งซอกซอนไปตามที่ต่างๆอยู่เช่นนั้นจนตายในที่สุดคนที่พยายามจะหลบหลีกความทุกข์แตทั้งที่ทุกข์บีเต็มอยู่ที่ตัวก็ไม่มีทางจะพ้นทุกข์ไปได้ ในที่สุดก็ตายเปล่าเช่นเดียวกับสุนัขตัวนั้นแล้วถ้าเช่นนั้นทางที่ถูกควรทํำยังไงทางที่ถูกไม่ควรหลบหลีกทุกทางที่ถูกควรเผชิญหน้ากับทุกอย่างเหลอท่านเรวตัต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 ท่านก็จะเกิดความสังเวชสลดใจเบื่อหน่ายในทุกข์นั่นก็คือคืออะไรเลอท่านเลยวตัตะประตูแรกที่จะเปิดไปสู่อริยสัจข้ออื่นๆต่อไปท่านผู้ประเสริฐเท่าที่ข้าพเจ้าได้ฟังท่านพูดมารู้สึกว่าชีวิตนี้ทั้งสิ้นเป็นที่เปิดแห่งความทุกข์ไม่มีช่องว่าสสำหรับความสุขเลยแต่ว่าพูดต่อไปเถอ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 เป็นความสุขชั่วคราวสุขเจือได้ทุกนี่เป็นการสมมติสัจจะแต่ถ้าเป็นปรมัทิตย์สัจจะแล้วความสุขก็ไม่มีแล้วที่ชาวโลกเข้าใจว่าเป็นความสุขนั้นล่ะท่านเรวัตะนันหาใช่ความสุขที่แท้ไม่ไม่ใช่ความสุขที่แท้และเป็นอะไรเป็นเพียงความสะดวกความสบายและความสนุกเท่านั้น ขอท่านเรวตตาช่วยอธิบายละเอียดอีกสนิดเถิดข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังเชิญท่านเรวตตาตัวอย่างเช่นบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาอยู่ในปราสาทอันวิจิตรไปไหนมาไหนได้รถเทียมด้วยมา้าไม่ต้องทํางานหนะักเพราะมีข้าทาสบริวารทําแทนทุกอย่างจะไปไหนจะทําอะไรจะบริโภคอะไรมีความสะดวกทุกอย่างไม่ติดขัด ไม่ขัดข้องคนทั่วไปเห็นว่าบุตรเศรษฐีคนนั้นมีความสุขแต่ความจริงไม่ใช่ไม่ใช่ความสุขและอะไรล่ะท่านเรวตัตต์เขามีความสะดวกเท่านั้นเพราะอาศัยทรัพย์ของตนบุตรเศรษฐีคนนั้นไม่มีความลำบากเลยเพราะไม่ต้องทํางานหนักได้บริโภคอิ่มหนำสําราญไม่มีความลำบากใจเพราะต้องการสิ่งใดก็หาซื้อเอาได้ทรพัพย์ คนทั่วไปเห็นว่าเขาช่ามีความสุขจริงแต่ความจริงแล้วไม่ใช่แล้วคณเรียกว่าอะไรนั่นเป็นเพียงแต่ความสบายไม่ใช่ความสุขแท้จริงบุรเจ็ดฐีคนนั้นใช้ทรัพย์ไปในทางดูมหโหรสพดูการฟ้อนรำดูการเล่นต่างๆฟังดนตรีและเพลงอันไพเราะคนทั่วไปยกย่องว่าเขามีความสุขแต่ความจริงไม่ใช่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 ความเจ็บปวดบรรเทาลงเขาจึงอุทานว่าสุขจริงๆหมอสุขจริงๆแต่ในไม่ช้ายาหมดอํานาจความเจ็บปวดก็กลับคืนมาเขาจะได้สวยทุกขเวทนาตามเดิมเพราะต้นเหตุที่แท้จริงของความเจ็บปวดคือหัวฝียังอยู่เขาจะมีความสบายเต็มที่ก็ต่อเมื่อเขาบีบเอาหัวฝีนั้นออก และรักษาแผลฝีให้หายสนิทแล้วเท่านั้นยังมีอะไรอีกหรือไม่ท่านเรวตัตยังมีอยู่อีกขอท่านได้โปรดทุกทุกทำไมทุกเป็นพื้นฐานของชีวิตมีอยู่ตลอดเวลา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 ก็แก้ความหิวไม่ได้เด็ดขาดความหิวจะเป็นพื้นฐานของชีวิตเป็นแต่เพียงความทุกย่อยย่อยคือความหิวเท่านั้นยังมีทุกข์อื่นๆ อ, อ, อีกนับเป็น ส, สิบสิบประเภทที่มนุษย์จะต้องแก้ไขถ้าพูดโดยปรมัตถสัจจะแล้วชีวิตนี้ก็คือ